ที่ได้เห็นความหยาบแยบขอ้ชาวบ้านและเห็นมวลทรัพย์ส ม, มุดไหลามาเทมาข้าพเจ้าครองทีบอยู่บนน้ำตาผู้อื่นโดยแท้เมื่อได้ฟังด่านแสนดงเหตุผลกับเด็กความโงวหวาดทติดใจข้าพเจ้าก็หายไปหมดสิน้นรู้สึกสำนึกตัวขึ้นมาทันทีว่าได้ทำความชั่วอะไรไปบ้างท่านช่ว ย, ยกข้าพเจ้าขึ้นจากักแทงความชั่วร้ายอย่างแท้จริงเถิ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 มอะเป็นสมบัติส่วนตัวของเขาทุกๆุครอบครัวแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อกลุ่เขาดีๆต่อไปด้วยอัตมาไม่นึกเลยเ<อ>ว่าคําพูดที่อัตมาพูดเล่นๆกับเด็กจะสามารถเปลี่ยนจิตใจของท่านได้อัตมาพูดไปตามหลักไม่ได้เจตนาจะสอนผู้ใดเออดูเหมือนมองไม่เห็นท่านด้วยซ้ําไปแต่อัตมาก็รู้สึกดีใจที่คําพูดทําให้ท่านสํานึกกลับตัวเป็นคนดีได้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 ท่านจักเป็นคนประเภทสุดท้ายนี้ในอดีตท่านได้เดินไปในทางอันมืดมนแต่บัดนี้ท่านบรรลุถึงทางอันสว่างแล้วจงตั้งหน้าทาความดีต่อไปเถอดขอบพระคุณท่านผูเ้เจริญข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคำสั่งสอนนี้จำไว้ว่าพึงชนะผู้สูงศักดิ์ด้วยการถ่อมตัวพึงชนะผู้แก้วกล้าด้วยการให้สามัคคี พึงชนะผู้ต่ำสัตว์ด้วยการให้ของเล็กน้อยพึงชนะผู้เสมอด้วยความเพียรพยายามอาตมาขอลาพรุ่งนี้เช้าขอไประเจ้กจะเรียกประชุมชาวบ้านแล้ว ึงกว่าทุกครั้งที่เคยพบเหนหน้าแบบนมรู้สึกไม่สบายใจไม่บายใไม่สบายใจนี้เราไม่ผิดเลยยังไงซะวันนี้นายบ้านผูทารุก็คงจะหาทางผุดเลือดเื่อพวกเราแน่่ไม่ว่านี้แหละโอพี่น้อยเรร้านเข้านาพูดแร้่เลือดเนื้อเรื่องอะไรเดี๋ยวก็รู้ ใครพูดอะไรได้ยินนะเร่อข้าพเจ้าขอประกาศให้ท่านทั้งหลายทราบว่าทุกคนที่เปนี่สินข้าพเจ้าเป็นจำนวนเท่าไหก็ตามว่าไงเขาจะไปขึ้เอาคืนจากกันเป็นไปได้ไอ้ท่านพ้นจากนีสินเป็นอิสระแก่ตัวเองทุกๆคนตัายไหรือเปล่าสนผู้ใดทํานของข้าพเจ้าอยู่เป็นจมนวนเท่าใดก็ขอให้ข้าครอบครองถือสิทธิ์ในที่นาจำนวนนั้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป กอนจะจินเขาจยกให้ใยอดีตข้าพเจ้าได้ก่อความทุกเข็นไว้แก่พวกท่านมากมายบัดนี้ข้าพเจ้ารู้ส like yeah. ํานึกตัวได้แล้วในความผิดเหล่านี้และก็ติดเยื่ใจอย่างใหญ่หลวงขอท่านทั้งหลายโปรดให้อภัยแก่ข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าขอรับรองต่อหน้าพระสุริญาเทพเจ้าว่าั้งแต่นี้ต่อไป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 ในบ้านกลับใจก็มาถึงฝั่งแม่น้ำเนรัญชราเป็นเวลาบ่ายแดด ก, กําลังร้อนจัดจึงแวะเข้ามานั่งพักใต้ต้นมะม่วงใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำน่าประนลาดจริงๆไม่เห็นมีน้ําอยู่เลยในแม่น้ำมีแต่ทรายสีขาวกาลังร้อนทะอุด้วยเปลวแดดจนเทบจะมองดูไม่ได้เนรัญชราควรจะได้ชื่อว่าแม่ทายมากกว่าแม่น้ํา ทึงแม้อากาศจะร้อนจัดแต่ใต้ต้นมะม่วงใหญ่ร่มเย็นสบายดีพื้นสรายนุ่มเย็นสบายบนฝั่งแม่น้ำเนรันชราดีสิพระบรมศ า, ศาสดาประทับนั่งใต้ร่มโพธิ์เมื่อ น, นานมาแล้วเหอเสียงแพที่ไหนอ๋อท่นไงชายชราไล่ต้อนฝูงแพ้เข้ามานอนในร่มไว้ และตัวชายชราเองก็เดินตรงเข้าม า, าโอ้ท่านธรรมนะัคท่านมาจากไหนและจะไปไหนอัตมามาจากกรุงสาวัตถีตั้งใจจะไปกรุงราชเครือท่านมาจากกรุงขาวัตถีถึงนี้เนี่ยเป็นความจริงอัตมามาจากกรุงสาวัตถีมีอะไรที่ท่านสงสัยถ้าอย่างนั้นท่านก็เดินทางมาไกลามาก เขบันเก้าไม่เคยไปสาวัดถิ่นครแต่ถ้าประยชนไกลมากทีเดียวท่านมาคนเดียวหรือมีเพื่อนมาด้วยล่ะอัตมาเดินทางมาคนเดียวเดินทางมาคนเดียวเช่นนี้นะไม่กลัวะล่ะจะต้องกลัวอะไรอา้าวก็กลัวอันตรายกันต่างนั่นสิเออยังเช่นโดนปู้ร้ายหรือว่าจับร้ายน่ยจนผู้ร้ายอัตมาไม่กลัวหรอกเพราะไม่มีทรัพย์สมบัติจะให้เขาปล้น มีแต่บาทและจีวรเท่านั้นแต่เขาต้องการอาตมายินดีจะให้สัตว์ร้ายอาตมาก็ไม่กลัวเพราะไม่มีอะไรจะให้สัตว์ร้ายเหล่านั้นแย่งชิงมีแต่ศรีรษะและร่างกายนี้เท่านั้นแม้ร่างกายนี้ถ้าสัตว์ร้ายเหล่านั้นต้องการอาตมาก็ยินดีสละให้เหมือนกันโอ้ถ้าท่านไม่กลัวเจ้งเหล่า น, น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 พระอาตมาคุ้นเคยกับความตายซะแล้วฮะท่านคุ้นเคยกับความตายหมายความว่าท่านเคยตายมาแล้วท่านเคยตายมาแล้วหลายครั้งก็เคยซะแล้วอย่างนั้นใช่ไหมหาไม่ได้ในชีวิตของอาตมายังไม่เคยตาย อ, อ้าวไหนว่าคุ้นเคยกับความตายไงอ่ะ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 เราก็ห้ามชีวิตไม่ให้ตายไม่ได้ฉะนั้นเราต้องตายแน่เพราะชีวิตคือการเดินทางไปสู่ความตายวันคืนที่ผ่านไปคือเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งที่เรากใกล้ความตายเข้าไปทุกทีความตายคือความจริงแห่งชีวิตเมื่อรู้เช่นีแล้วอาตมาจึงไม่กลัวต่อความตายหนาฟังขปาาเก้าเห็นด้วย แ้่ก็ยังมีขอ้อสงสัยอยู่อย่างนึง่งท่านสงสัยอะไรเพียงแต่ระลึกถึงความตายบ่อยๆทําให้หายหวาดกลัวได้หรือข้อนี้ข้าพเจ้ายังมองไม่เห็นเลยว่าจะทำให้หายกลัวได้อย่างไรถ้าทําบ่อยๆเข้าจนคุ้นเคยกับความตายเห็นความตายเป็นของธรรมดาสามัญจะแล้วก็หายกลัวได้อย่างแน่นอนทีเดียวอาจจะมาขอถามหน่อยเถอว่า เมื่อท่านยังอยู่ในวัยเด็กนั้นท่านเคยกลัวไข่บ้างไหมเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ย ว, ยวขอให้ขปเจ้านึกดูก่อนนะอือออ๋อนึกแล้วนึกออกแล้วเคยกลัวไหมเคยกลัวเหมือนกันขพเจ้าเคยกลัวทายแก่คนหนึ่งหน้าตาของแกน่ากลัวมากชอบพูดจาหยอกล่อให้เด็กกลัวเ้อด้วยขพเจ้าเรียกแกว่าลงุง เพราะเป็นญาติทั้งฝ่ายบิดาบ้านของเราอยู่ใกล้กันเวลาข้าพเจ้าร้องไห้แม่ก็มัดตะคุ่อลุงมาแล้วลุงมาแล้วข้าพเจ้าจอดร้องไห้ดันตีเพราะกลัวลุงมากจริงๆในเวลานั้นท่านกล้าไปมาหาสู่ลุงของท่านไหมโอ้ไม่กล้าหรอกท่านสมณนะเพียงแต่ได้ยินเสียงลุงข้าพเจ้าก็วิ่งหนีทันที เขวออกอย่างนี้จะกล้าเผชิญหน้ากัได้ยังไงท่านหวาดกลัวลุงของท่านตลอดมาฮึภายหลังหายกลัวภายหลังความกลัวหายไปแต่กว่าจะหายนั่นมันก็กินเวลาหลายปีทีเดียวท่านพอจะรืลึกได้ไหมว่าเพราะเหตุใดท่านจึงหายกลัวลุงนี่ท่านจะมาถียงวนเรื่องราวนี้อดีตของข้าพเจ้าทำไมกันเนี่ยอย่าเพิ่งไม่พอใจสิอาตมาไม่มีเจตนา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 ก็โปรดบอกอาตมามาด้วยว่าเพราะอะไรภายหลังท่านจึงไม่หวาดกลัวลุงของท่านเออเข้าที่จำได้น่ะดูมันว่าคราวหนึ่งลุงของขบ aja ล้มป่วยมารดาจึงพาขเจ้าไปเยี่ยมท่านอตอ น, น, นแรกๆก็ยังกลัวอยู่แต่หลังจากไปบ่อยๆเข้าความกลัวก็ค่อยๆหายไปจนในที่สุดก็ไม่นึกกลัวอีกเลยนี่หละ ความตายเปรียบเหมือนกับลุงของท่านเมื่อยังเด็กท่านกลัวลุงยังไงคนทั้งปวงก็กลัวความตายเช่นนั้นท่านไม่กล้าไปมาหาสู่ลุงเพียงจะได้ยินเสียงก็วิ่งหนีคนทั้งปวงก็ฉันนั้นเขาไม่กล้าระลึกถึงความตายเพียงจะได้ยินคําว่าตายหรือเห็นคนอื่นตายก็หวาดสะดุ้งซะแล้วต่อมาภายหลังท่านหายหวาดกลัวลุงเพราะไปมาหาสู่ บ, บ่อยๆ จนเกิดความคุ้นเคยชั้นใดคนเราก็มันระลึกถึงความตายบ่อยๆจนคุ้นเคยกับความตายแล้วจะไม่หวาดกลัวต่อความตายชั้นนั้นอท่านธราาศพูดเปรียบเทียบหน้าฝังมากข้าพเจ้าเธอท่านและวก็พยายามร้องดูเออแต่ว่าอะไรเลยอุบาสกข้าพเจ้ายังมองไม่เห็นเลยว่าไอ้การระลึกถึงความตายเนี่ย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 จะตายมาไรก็ช่างมันคิดอย่างนี้ค่อยสบายใจขึ้นบ้างดูก่อนดูบาศกสมมุติว่าชายคนหนึ่งกําลังพายเรือทิพนไปได้รูข้ามแม่น้ําใหญ่ขณะที่พายเรือไปเขาก็มองเห็นว่าน้ํากําลังพุ่งเข้าเรือตามรอยรั่วเขารู้ดีว่าเรือจะต้องจมลงกลางแม่น้ําแน่เมื่อคิดว่าเรือจะจมเขาก็เกิดความเศร้าใจหมดอะไรในชีวิต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 คนแบบนี้จมน้ำตาจะได้ก่อนมับประจบน้ำหน้าแล้วะถ้าอย่างนั้นท่านก็งโง่ด้วยอ ะ, อะท่านสมนะนี่ท่านมาว่าข้าเเจ้างโง่ข้าเเจ้างโง่ยังไงอตมาจะชี้แจงให้ฟังว่าท่านงโง่ยังไงร่างกายของเราเนี่ยเปรียบเสมือนเรือรั่วโอคะสงสารที่ท่านจะต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไป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 ยังประมาทร้องรำทำเพลงอย่างนี้ไม่โง่ได้ยังไงถ้าเป็นอาตมาอาตมาก็ไม่ทำอย่างนั้นถ้าท่านไม่ทำอย่างนั้นแล้วท่านจะทำยังไงเมื่อรู้ว่าจะพายเรือรัว่วข้ามแม่น้ำใหญ่ไม่ถึงฝั่งแน่อาตมาจะไม่เกิดความท้อแท้ใจแต่อย่างไดทั้งจะไม่ร้องรำทำเพลงเพื่อหลอกบำรุงขวัญตัวเองให้ลืมว่าเรือรั่วจะล่มแต่จะรีบตระเตรียมหาเครื่องชูชีพใส่ในเรือไว้ให้มากๆ ขณะที่พายเรือไปก็ต้องคิดเสมอว่าเรือจะล่มเมื่อเรือล่มจริงจริงอาตมาก็จะรีบคว้าเครื่องชูชีพมาแนบไว้กับตัวแล้วอาศัยว่ายต่อไปจนกว่าจะถึงฝั่งทำอย่างนี้ท่านเห็นว่าเป็นการกระทำที่ฉลาดหรือโง่โอ้ฉลาดมากเออแล้วว่าขอถามอีกทักนิดเถอะท่านธรรมณนะท่านยังสงสัยอะไรอยู่อีกถามมาได้เลยสรระรากายเปรียบเหมือนเรือรัว่ว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 หน่าสงสารท่านกำมณะวัว่าเจ้าน่าสงสารยังงั้นเหรอถูกแล้วท่านยอมตัวเป็นคนใช้ผู้ซื่อสัตว์ของแพะบ้างของไรานาบ้างของการงานบ้างแต่เมื่อมอรณะภัยมาถึง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 เวลานี้ยังไม่สายเกินไปที่จะสแสวงหาสเสบียงคือบุญกุศลไว้ยังไม่สายหรือท่านสมณะถูกแล้วยังไม่สายขาพเจ้าควรจะทำยังไงหรือท่านสมณะตั้งแต่วันนี้ไปท่านก็จงทาบุญกุศลโปรดนะนํางกับขพเจ้าด้วยขปเจ้าควรจะทาบุญกุศลปรฐานใดททำบุญกุศลด้วยการให้ทานแก่สมณะพราหมณ์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 ภายหลังเรือลม่มฉะนั้นอย่าประมาทโอ้ขอพระคุณนั้นจะม น, นะัดอาตมาก็จะต้องเดินทางต่อไปแล้วขอให้ท่านผู้เจริญโทกดีเถอ กรุงราชพฤก์ภูมิประเทศจัดป่าเป็นทุ่งนามากขึ้นพื้นดินอุดมสมบูรณ์ต้นข้าวในานาบางแห่งยังเก็บเกี่ยวไม่เสร็จต้นข้าวงามมากกอใหญ่รวงดกมเมล็ดโตจากทุ่งนาก็เป็นหมู่บ้านมีผู้คนอยู่หนาแน่นตามท้องนาชาวนาเก็บเกี่ยวกันเป็นหมู่หมู่บางหมู่สนทนาหยอกล้อหัวเราะ ก, กันอย่างมีความสุข บางหมู่ก็ร้องรำทำเพลงขับต่อระหว่างชายหญิงน่าสรุกสนานก็น่าแปลกพวกเขาทำงานกันท่ามกลางแสงแดดเงื่อไหลโสมตัวอย่างยิ้มแย้มร่าเริงตรงกันข้ากับเศรษฐีที่อยู่บนปราสาทเจ็ดชั้นในมหานครตัดกลุ่มโกรวกรวาใจไม่ได้สักัลนอย่างนี้ใครหนอที่มีความสุขกันแน่นั่นแหละความสุขอยู่ที่ความพอใจ ชาวนาทำนาอาเมือต่างน้ำถ้าพอใจในภาวะของชาวนาก็เป็นสุขแม้จะเป็นเศรษฐีมีเงินเจ็ดสิบโกดอยู่ในปราสาทถ้ายังไม่พอใจภาวะเช่นนั้นยังกระเสือกกระสนดิ้นรนเพื่อภาวะอย่างอื่นอยู่อีกก็หามมีความสุขสบายใจไม่จึงเอาทรัพย์ภายนอกเป็นเครื่องวัดความสุขของคนไม่ได้โนนทิวเขาสีน้ำเงินแก่ ตั้งขวางหน้าอยู่ทางทวิตตะวันออกเครื่องหมายแห่งมหานครราชครึกราชธานีแห่งมคตรัรของราชาพิมพิสารราชครึกมีนามอีกอย่างหนึ่งว่าปัญจคีรีนครเพราะมีภูเขาห้าลูกคือเวพาระเวปุละคิดชะปูดอิสิคิลิและโซนะตตั้งเรียงรายอยู่รอบมือ เป็นกำแพงธรรมชาติอันมัน่นคงมูปัจจามิตรไม่หานเข้าโจมตีเอาละพักอยู่ใต้ร่มต้นว่านี่ก่อนเถ อ, จจเเอะ ก, อ ก, ออกำลังนั่งอย่างสบายอารมณ์ ท่า น, นชายแก่คนนั้นมาจากไหนไม่รู้สพายถุงเดินผ่านมาเมื่อเหลือไม่เห็นจริงแวะเข้ามานั่งพักด้วยท่านสามเณะท่านมาจากไหนอัตมาเดินทางมาจากกรุงสาวัตถีโอ้แล้วนี่กาลังจะไปไหนมหานครราชฤกเห็นทีจะอยู่ข้างหน้าโนูนข้าพเจ้าเป็นหมอเถียรักษาพยาบาลคนตามนิคนต่าง ความสามารถของข้าเพาเจ้าเป็นที่เรื่องหรือใครก็ตามถ้าข้าเพาเจ้ารักษาแล้วต้องหาจากเจ็ป่วยทุกคนหมอคนอื่นมีความสามารถไม่ได้ครึ่งข้าเพาเจา้านภร้าอุบาศกเป็นหมอที่มีความสามารถมีความรอบรู้ยิ่งกว่าหมออื่นๆน่นอนทีเดียวท่านขมนะันละอาตมาเกิดมาในโลกนี้ก็หลายปีแล้ว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 พระธรจะให้รางวัลอย่างงามที่สุดไว้ใจข้าพเจ้าเถอะท่านธรรมนะเรื่องเล็กข้าพเจ้ายินดีจะช่วยรักษาคนป่วยรายนี้โดยไม่คิดมูลค่าใดๆโปรดบอกอาการป่วยของข้ามาเถอะข้าพเจ้าจะค้นสมุดฐานประกอบยาให้เดี๋ยวนี้อาการป่วยของเขาเป็นอย่างนี้ ก่อนนั้นเขาแข็งแรงดีอย่างอต